เรื่องนางวิสาขามิคารมาตาครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพักฆชนบทตามพระอัทยาศัยแล้วเสด็จจาริกไปทางกรุงสาวัตถีเสด็จจาริกไปโดยลำดับจนถึงกรุงสาวัตถีทราบว่า พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินิกขะขหบดีในกรุงสาวัตถินั้นครั้งนั้นนางวิสาขามิคารมาตาถือหม้อน้ำปุมไม้ที่เช็ดเท้าและไม้กวาดเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วถวายอภิวาตพระผู้มีพระภาค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 ทรงชี้แจงให้นางวิสาขามิคารมาตาเห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหารแกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคถาลำดับนั้นนางวิสาขามิคารมาตาซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติ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 รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตหม้อน้าและไม้กวาดภิกษุไม่พึงใช้ปุ่มไม้ที่เช็ดเท้ารูปใดใช้ต้องอาบัดทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตที่ถูเท้าสามชนิดคือศิลากรวด ศิลา่องน้ำ